จเจริพร ท, ท่นนันน์วงศ์ประภารัตน์ประธานศาลอุทธรณ์ภาคเจ็ดท่านสันชัยลอมณีนพ ร, รัตน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคเจ็ดและท่านสาธุชนแห่งศาลอุทธรณ์ภาคเจ็ดทุกท่านการมาประชุมเพื่อ ปัจการบรรยายธรรมก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญของท่านทั้งหลายดังที่พุรธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมัสสวนันนงเอตัปมันคามุตตะมันการฟังธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เป็นมงคลคือเหตุแห่งความเจริญที่สูงสุดและในการฟังธรรมครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นเวลาที่เหมาะสมของท่านทั้งหลายเท่านั้นยังเป็นการบาเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลส่วนธรรมมัต ส, สวรรใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรม บุญเกิดจากทานละไมการถวายทานศีละไมการรักษาศีลและทร ม, ม, มัสวนในทำมัทสนละบุญที่เกิดจากการฝักธรรมเมื่อได้บุญได้กุศลตรงนี้ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจบุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรามินท ร, รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบพิษนั้เป็นกิจกรรมที่น่าโน้โมนาเป็นอย่างยิง่งดังที่ท่านประธานสานารธรได้กล่าวแล้วนะในส่วนของการฝังธรรมท่านทั้งหลายได้กำหนดหัวข้อ ในการบรรยายวันนี้ว่าวันที่ดอกบัวปริบานในใจของอข้าราชการฝ่ายตุลาการสารวิธยธรรมคําว่าดอกบัวปริบานเป็นคําเปรียบเทียบเป็นคําอุปมา ก, ก็เปรียบเทียบใจของเราเหมือนดอกบัวดอกบัวบานบ้าง ไม่บานบ้างที่ไม่สามารถจะผลิบานเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เติบโตไปตามระยะกำหนดที่จะโผล่พ้นน้ำแล้วก็ต้องแสงอาทิตย์ดอกบัวบานจะต้องโผล่พ้นน้ำ แล้วก็ได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ดอก บ, บัวส่วนมากจะอยู่ใต้น้ำที่มันไม่เปไม่คิบบาทมันอยู่ใต้น้ำแล้วก็บางทีก็เป็นอาหารของปลาและเต่าไม่ได้โผล่พ้นน้ำจมอยู่ กับสิ่งแวดล้องที่ไม่พึกประสงค์น้ำเน่าบังปลาเต่ามากัดกินบันไม่สามารถจะพลิกบัตให้ความงดงามแก่โลกใบนี้ท่านอยู่ในโลกอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่บางทีก็บีบคันเราทำให้เราเป็นทุกข์ทุกข์มันก็ท่วมทับ ง, งานมันก็หนักความเครียดก็สะสมทำให้เราจมอยู่ใต้น้ำคือสภาพปัญหา ทำอย่างไรถึงใจของเราจะโผ่โผล่พ้นจากสถานการณ์ที่ตีคั้นที่มันเป็นปัญหาปัญหาแม้ใครจะพูดว่าปัญหามีเอาไว้แก้ไม่ได้มีเอาไว้กลุ้มก็คิดได้แวบๆแบบแล้วมันก็ลืมแล้วมันก็กลุ้มอีกแล้วมันก็เครียดอีก ความทุกข์มันก็เข้ามาใจไม่สามารถจะโผพ้นเหนือสภาพแห่งทุกข์คือปัญหาเราอยู่ในโลกก็ถูกโลกท่วมทับจะโผพ้นจากโลกที่มันท่วมทับทำอย่างไรแม้จะมีพา اس ิต สอนใจว่าสุขและทุกมีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหลตำบนไหนจะสุขบ้านทุกบ้านชาติเป็นไรจะทำใจให้เศร้าไม่เข้ า, าัจแต่เราก็ทราบเราก็ทุกและบางทีก็ทุกเกือบตาย รอดมาได้ก็บุดแล้วทั้งทุกกายทุกใจทำอย่างไรจะเป็นดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำคือโลกกระทที่มันเป็นฝ่ายลบมันบีบคั้นเราเราเราอยู่ในโลกมันก็มีสุขมีทุกเหมือนดอกบัวต้องพบกับน้ำทั้งใสและไม่สะอาด มีลาบก็น้ำดีเสื่อมลาบน้ำไม่ดีมียศก็ฝ่ายดีฝ่ายที่เราชอบเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสังเสริมมีหนึ่งทางเราก็อยากจะได้แต่ฝ่ายบวกที่เสริมแรงลาบยศสุขสังเสริ เราไม่ประสงค์ฝ่ายตรงกันข้ามแต่มันหนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นทำอย่างไรเราจะอยู่ในโลกที่มันพักเข้ากันอย่างนี้อย่างเบาสบายอย่างเบิกบานไม่ว่าจะได้หรือเสียจิตใจเราเบิกบานดังที่มีคำอุปมาว่า ดอกบัวสามารถจะบานอยู่กลางเปลวเพลินเปลวเพลินที่มันร้อนรุ่มแต่ดอกบัวสามารถจะเบ่งบานอยู่ได้ยิ้มได้เมื่อไผมาไม่โศกกาเมื่อไผมีแค่ยิ้มฝืนยิ้มจิตใจที่เบิ่อบานมันจึงยิ้มได้แต่ก็ยิ้มไม่ออก อยามเมืองยิ้มชัดยิ้มไม่ออกและแยกเขี้ยวใส่กันยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกกาเมื่อภายมีเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรบเรเลงบรรเลงเพลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้งใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาในสถานการณ์ปกติเนี่ยใครก็ยิ้มกันได้ง่ายทำได้เวลาที่สถานการณ์เป็นบวกใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลาที่สถานการณ์มันเป็นลบมันไม่ได้ดังใจใครยิ้มได้เมื่อภัยมาเนี่ยน่าชื่นชมแต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภหมาเก่งแน่เราต้องยกย่องคนอย่างนี้สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนใครทาได้อย่างนั้นบ้างเมือนภาษิตญี่ปุ่นเขาบอกว่า ล้มไปแล้วอย่าลุกขึ้นมามือเปล่าอยากน้อยให้มีฟางเส้นหนึ่งติดมือขึ้นมาก็ยังดีแพ้สงครามโลกทั้งที่สองไม่สามารถจะเป็นมหาอำนาจทางทหารได้อีกล้มไปแล้วประเทศนี้ลุกขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเขาไม่ล้มปรับ เรียนรู้จากความผิดพลาดจากความล้มเหลวแล้วแข็งแกร่งขึ้นเหมือนต้นไผ่หน้าหนาวมันโดนหิมะปกคลุมมันไม่หักทับถมก็มันก็นอนอยู่ใต้หิมะสามสี่เดือนไผ่ในญี่ปุ่นพอหิมะละลาย มันฟื้นคืนยืนต้นดั้งเดิมประหลาดที่ว่ามันสูงกว่าเก่าเพราะตอนที่มันอยู่ใต้หิมะมันได้รับน้ำรับปุ๋ยมันงอกอยู่ใต้หิมะมันไม่ได้ยอมสยบอยู่ตรงนั้นล้มไปแล้วมันเข้มแข็งสูงกว่าเดิม จิตใจของคนที่ไม่หักสลายไปพร้อมกับวิกฤตที่มาฟื้นขึ้นมาอีกเราก็เรียกว่าพรีบาทได้เหมือ น, นกันฉะนั้นพรีบานคือไม่ถูกความทุกข์มันท่วงทักจนจมไปในโคลนตอดอก บ, บัวมันไม่ได้หนีโลก ไม่ได้หนีสระน้ำรากเง่าของบัวอยู่ในโคลนตมแต่ช้ำแรกน้ำขึ้นมาจนโผล่พ้นน้ำเบ่งบานส่งกลิ่นและความน้ำให้กับโลกสิ่งแวดล้อมโคลนตมกำเนิดมาอย่างไรไม่สำคัญของแต่ละคน แต่สำคัญอยู่ที่ท่านสร้างชีวิตอย่างไรท่านจัด ก, การกับปัญหาสิ่งแวดลอ้อมสิ่งเราที่มากระทบกระท่านมาด่าเราแต่ยิ้มได้ได้อย่างไรไม่ผิดไม่ยอมสยบแม้สถานการณ์มันทำให้เกือบจะไปต่อไม่ได้ นั่นคือดอกบัวที่ผลิบานอยู่ในโลกใต้น้ำใต้โถนตรงคือรากเงา่าไม่ได้หนีไปไหนรากเง่าอยู่ตรงนั้นแต่ผลิบานไะด้ก็ยังอยู่ในที่ทางานนี่แหละตัวเราก็อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่นี่เจอคนเดิมๆบวกบ้างลบบ้าง ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่มีความสุขอยู่ได้เงินขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็มีความสุขไม่มีใครมาทางให้ดอกหัวของเราในจิตใจเรานั้นมันห่อเหี่ยวเราเองเป็นผู้กำหนกดังนั้น เราจึงเปรียบเทียบ จ, จิตใจของผู้เบื่อบานเนี่ยเหมือนดอกบัวโดยโดยที่นำมาจากคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สอนพวกเราให้ทํา จ, จิตใจเหมือนดอกบัวและตัวโรคตัวพรเอเก็เหมือน ดอก บ, บัวจิตใจของพระองค์เหมือนดอก บ, บัวเราจึงจิตกรทั้งหลายจึงวาดภาพพระพุทธองค์ประทับอยู่บนดอก บ, บัวไม่ได้หมายความว่าจะไปไหนต้องเอาดอก บ, บัวมาโรยในใจตังางและใจของพระองค์ที่เหมือนดอก บ, บัวเนี่ยมีบันทึกพระดำรัส หรือพุทธพจน์เอาไว้ในพระไตรปิฎกคือที่มาของจินตนาการของจิตตกรเนี่ยมาจากประโยคที่ว่าปุตดรีกันยาถาอุ ข, ขังมาจากคำถามที่คนคนหนึ่งถามพระพุทธจเจ้าพราะองค์ประทับอยู่ตามลผพังไต่ร่มไม้ แต่สว่างสวยัยเลอเกิดมีรัศมีเปล่งประดงงดงามคนไม่เห็นเข้าแปลกใจถามท่านเป็นเทวดาเลยอยู่คนเดียวใต้ร่มไม้ในป่าชะลอยจะเป็นลุกเทวดาไม่ใช่พระเจ้างผมไม่ใช่เป็นเทวดาหรือไม่ใช่ งั้นเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่งั้นเป็นพรหมไม่ใช่แล้วท่านเป็นอะไรท่านเป็นอะไรพระยาคก็ตัดประโยคนี้ปุณดรีกันยาถาอุขัซึ่งกัตมารจะอธิบายที่ว่าไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่เทวดาจริงๆไม่ใช่พรหมก็ไม่ใช่พรหม จริงๆแต่ทําไมจึงบอกว่าไม่ใช่มนุษย์ก็เพราะว่ามนุษย์ทั่วไปนั้นยังตกอยู่ใต้อํานาจของความโลภความโกรธความลงยังจมอยู่ใต้โคลนต่มแต่ท่านเป็นมนุษย์พิเศษอะ่ะมนุษย์พิเศษนี้เรียกว่าพุท ธ, ธะเป็นคําประกาศพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้า ให้ต่างจากมนุษย์ธรรมดาเพระองค์ตรัสว่าปุณดรีกังยาถาอุคคลโตเยนะนุปปลิ ป, ปติดอกบัวที่โผล่พ้นนะ้ำไม่แปดเปืือนน้ำเบ่บานไม่พรีบานไม่แปะเปื่อนน้ำฉันใดเราเกิดในโลก อยู่ในโลกนุกปริต ป, ปามิโลเกนะแต่ไม่แปดเพื่อ ด, ด้วยโลกกระับตัดสมาพุทธโทษมิตรพรา ม, มานะพระคนถามอยู่ในวั น, นพระเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะเป็นพระพุทธจาจย์ดอกบัวอยู่ในน้ำอยู่ในโคลนตม โปพ้นนะ้ำไม่แปดเปื้อนฉันใดพริบานได้เราเกิดในโลกอยู่ในโลกแต่จิตใจเบิกบานพรีบานไม่แปดเปื้อนด้วยโลกกรรมฉัดนะเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะหนึ่งในหักไทยทา่าน บทสวดอ่ะสารพันยะหนึ่งในหาไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัว ร, ราคีบ่อพันธุ์ทัวสุวคนณท่ากัมจอบนอกจากไม่แปดเื้อแล้วเปิ่นหอมจะรุงใจยังกระจายไปด้วยมีความสุขส่วนตนยังไม่พอยังเบยยังแบ่งปันความสุขให้คนอื่นด้วย แก้ปัญหาส่วนตนยังไม่พอยงทาให้คนนั้นแก้ปัญหาได้ด้วยแบ่งปันฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำนิยามความหมายของคำว่าชาวพุทธชาวพุทธคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราต้องต้องเดินตามรอยพระพุทธโงค์ทำจิตใจให้เบิกบาน ชาวพุทธทะเนี่ยคือผู้ตื่นผู้รู้และก็ผู้เบิกบานเรามักจะแปลเรียกสลับลําดนะับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ในทางปฏิบัติท่านต้องตื่นก่อนตือนแล้วจึงรู้รู้แล้วแก้ปัญหาได้เบิกบานไม่ใช่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาอยู่กับปัญหาแก้ปัญหาแต่ว่าเบิกบาน มีความสุขสำหรับลาดับนะถ้ท่านต้องตื่นก่อนตื่นแล้วจึงรู้รู้แล้วจึงเบิกบานนี่คือพุทธะตื่นอย่างไรรู้อย่างไรเบิกบานอย่างไรตื่นด้วยสติสติ โลกัสมิชาโรสติเป็นทาเครื่องเครื่องปลุกให้ตื่นในโลกที่เรานั่งฟังกันอยู่เนี่ยกี่คนที่ฟังอยากมีสติสติคืออะไรบางทียังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะที่บ่ายฟังแล้วถามว่า ขณะที่ท่านนั้งฟังเนี่ยท่านมีสติและเวลาที่ท่านลืมสติท่านจะไม่มีความรู้ว่าพระพูดเรื่องอะไรถ้าท่านมีสติท่านก็จะรู้เมื่อรู้ความรู้ที่เป็นธรรมะจะทําให้ท่านเบิกบานตื่นด้วยสติรู้ด้วยปัญญา ปัญญาโลกาสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกส่องสว่างให้เราแก้ปัญหาได้เบิกบานด้วยวิมุตหลุดพ้นจากปัญหาเพราะท่านมีปัญญาท่านจึงไม่ถูกปัญหาท่วมทับท่านจึงเบิกบานด้วยวิมุตคือเสรีภาพ อิสรภาพแล้วแต่ท่านจะเรียกวิมุตต์เนี่ยก็คือหลุดพ้นก็คือเสรีาสาภาพอิสรภาพดับทุกข์เราเรียกว่านิโรดนิโรธก็คืออริยสัจข้อที่สัมฉะนั้นเมื่อท่านตื่นด้วยสติรู้ด้วยปัญญาท่านก็เบิกบานด้วยวิมุต สติจึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประสงค์จะเบิดบานทั้งปวดถ้าท่านไม่มีสติไม่มีโอกาสที่จะเบิดบานการศึกษามันจะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต่อมัธยมต่ อ, อโรงศึกษาถ้าจะขึ้นสูงต่อไปท่านจะต้องมีขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะรักษาศีลถวายทานท่านจะต้องมีสติดังนั้นสติท่านจึะเปรียบเทียบเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่ที่สุดในบรรดารอยเท้าสัตว์บกทั้งปวงมันลวนมันเล็กกว่ารอยเท้าช้างคำนี้ท่านเรียกว่าความไม่ประมาทก็ได้ก็คือสตินั่นแหละ ทุกอย่างรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทคือมีสติถ้าท่านมีสติท่านก็จะรักษาศีลได้พลั้งปากเสียศีลพลั้งตีนตกต้นไม้พลั้งปากก็คือไม่มีสติพูดพล่อยๆท่านก็ศีลขาดไม่มีสติท่านก็ตกต้นไม้เขาก็บอกไปแล้ว สติคืออะไรสติสำคัญอย่างไรก่อนทำไมทำให้ท่านเบิกบานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายานิโลโสตานิโลกาสิงสติเตสังนิวารณะเป็นต้นน่ะแปลเลยกระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสรกระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญามีสองคำนั้นสติกับปัญญาสติมาก่อนปัญญาสติทาให้ท่านตื่นปัญญาทำให้ท่านรู้คำว่ากระแสหมายถึงสิ่งที่มากระทบผันธสทั้งหลาย มาในรูปของอิทฐารมแปลว่าสิ่งที่ถูกใจเราบ้างอั น, นิฐารมไม่ถูกใจเราบ้างหรือต่างๆบ้างเราเรียกว่าสิ่งเราก็แล้วกันคำพูดของคนบางคนหัวเสียแต่เช้าเพราะคำพูดและการกระทาแค่รถติดฝนตกรถติดก็หัวเสีย นี่คือกระแสที่มาัมากระตุ้นกิเลสมันเป็นผัสสะที่มากระทบเห็นผ้าที่สวยงามท่านดีใจเป็นอิทธารมอารมณ์ในภาษาพราะไม่ใช่ความรู้สึกเลยเช่นวันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกคําว่าอารมณ์เช่นรูปารมณ์สัทธารมณ์ท่านแปลว่าสิ่งที่จิตไปแขวนนัวไว้อารมณ์เนี่ย รูปารมคือจิตเราไปแขวนไว้กับรูปที่เราเมองสัทธารมคือจิตไปแขวนอยู่กับเสียงที่เราฟังแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วถ้าบังเอิญรูปที่เราเห็นที่เราไปแขวนไปคุ้นคิดไปเพ่งมองมันถูกใจมันก็ดีไปและบางทีถูกใจมากมันโลภมันอยากได้มันก็ขโมยแต่ถ้าไม่ถูกใจมันก็ทะเลาะ ก, กัน ขับรถปาดหน้าฉันกดแตะใสล้วอีกนะฮะมันก็เกิดรถแข่งบนท้องถนนลงเอยด้วยอุบัติเหตุบ้างยิงกันตายโดยที่ไม่รู้จักกันบ้างมันเกิดขึ้นลแลว้วพอไปติดคุกไปนั่งนึกเอ๊ะเราไปทำได้ยังไงไม่รู้จักเขาเลยแต่ฆ่ากันยังกับศัตรูคู่อาคาต ในกระบวนการตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ขับรถป่านหน้าเราหรือด่าเราคนปกติที่เขามีสติเขาจะตั้งสติได้อย่าไปยุบกับมันเดี๋ยวมันก็ไปนอนอ่านหนังสือพิ์ข้างหน้าเองแ ล, แล้วแต่เราจะคิดกระแสคือรถที่สิ่งเล้าหลุมปารมัทารมลูกเสียงกินอะไรต่างกันที่มันมาบวกมาลบมาให้เราชอบไม่ชอบเนี่ย มันไม่มีความหมายสาหรับคนที่ตัดเกรแได้ถ้ามีสติจะไปไหนก็ไปจะรีบไปที่ไหนคุณก็ไปฉันก็ขับลงไปอย่างนี้แล้วก็มีความสุขเพราะเขาตั้งสติอาตมาเคยเจอคนขับแท็กซี่หลายปีมาแล้วขึ้นรถแท็กซี่จาก วัดประยูนที่สมภันพุทธจะไปสอนหนังสือพระที่วัดมหาธาตุสมัยนั้นยังไม่มีมิเตอร์เลยนานแล้วนะตกล ง, งค่าโดยสารก่อนขึ้นรถห้าสิบบาทสมัยนู้นห้าสิบเด๋ยว น, นี้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ขั้นต้นเลยหนะ้าสิบบาทแล้วก็นั่งข้างคนขับคุยเข้าไป พอรถวิ่งไปเรื่อยๆคนขับก็ถามอาตมาว่าท่านถามหน่อยบวชพระมานานหรื อ, อยังตมาก็บอกนานแล้วถามหน่อยเถอท่านท่านบวชพระนี่มีความสุขดีหรือไม่รู้กงการอะไรของเขามีความสุขดีหรือมาถามเราตาก็บอก ก็เรื่อยเรื่อยนะเขาก็ยังอยากจะถามต่อแต่มาก็เลยถามกลับบากถามบักขับแท็กซี่มานานหรื อ, อยังนานแล้วครับยี่สิบเจ็ดปีแล้วถามหน่อยขับแท็กซี่มีความสุขดีหรือเอามาั้งดูว่าจะตอบไปยางไง แกตอบว่าไงรู้มีความสุขมากครับท่านผมขับแท็กซี่แล้วดับทุกได้พอเ้เกทับพระเลยนะถ้าขับแท็กซี่ดับทุกไม่ต้องบ่นนะอย่างเงี้ยไปขับแท็กซีส่สิไม่เปลนใจนะก็ถามเขาตอบขับแท็กซี่มานานหรือยังนานแล้วครับ ยี่สิบเจ็ดปีแล้วครับเอ่เอขับเท็กซี่เอ่อขับเท็กซี่อย่างเดียวหรือถามเขาทำงานอื่นบ้างหรือเปล่าเคยครับเคยขับรถให้กระสวงกระสวงหนึ่งครับแต่อยู่ไม่ได้ครับทำไมเล่นพวกกันถึเกิดท่านอยากจะไปเทศสอนใครว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ต้องเทว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครมผมทนไม่ได้กับระบบเล่นพรรคเล่นพวกเลยลาออกครับไปขับรถเป็นลูกจ้างอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ไม่ได้ไอ้ทัศทาไมอ่ะมหาวิทยาลัยเขาก็เล่นพวกหรอเปล่าท่านมันคนละแบบกันปัญหาคนละอย่างปัญหาอะไรอ่ะ ด้วยอย่างนี้ถ้าผมถามท่านก่อนคนเราเรียนมากรู้มากมีความสุขมากใช่หรือเปล่าปัญหาแท็กซี่นะท่านตอบได้ไหมนี่เรียนมากรู้มากมีความสุขมากกว่าคนไม่เรียนหนังสือใช่หรือเปล่าถ้าจะตอบว่ไงแท็กซี่เขาถามเนี่ยตะมาก็บอกไม่ได้เออ จะบอกว่าไม่สุขว่าใช่มันก็กะไรอยู่เออมันหรือไม่ใช่ก็กระไรอยู่เพราะเราก็เรียนเยอะนะี่ยเราบอกไม่แน่จริงท่านผมว่าไม่แน่นะไม่ใช่ว่าเรียนมากแล้วจะสุขมากนะท่านผมว่าบางคนนะยิ่งเรียนมากยิ่งทุกข์มากทําไมล่ะคือผมสังเกตอย่างนี้ท่ายิ่งพวกด็อกเตอร์พวกครูบาอาจารย์นี่ตัวทุกข์เลยท่าน ทุกคนเดียวไม่พอนะทำให้นิสิตนักศึกษาทุกไปด้วยผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดล้มเหลวในระบบการศึกษาของชาติเป็นแน่<อ>ผมจนไปบอกให้พวกด็กเตอร์พวกครูบาอาจารย์เขาสอนใหม่ให้สอนให้เด็กมีความสุขเขาไม่เชื่อผมผมเลยลาออกมาขับแท็กซี่เลยครับไปสอนด็กเตอร์เลยนะ อ้าแล้วคุณไปสอนว่าไงล่ะเขาก็ย้อนถามมาตมาท่านรู้ตักษรพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44ตัวตมาว่าแล้วท่านรู้ไหมใน44ตัวเนี่ยตัวไหนดีตัวไหนชั่วบุญเลยนะรู้ยกอไก่ถึงหอดอกกู้ ตัวไหนดีตัวไหนชั่วต่อมาก็บอกไม่รู้ผมไม่โทษท่านหรอกผมโทษครูบาอาจารย์สมัยนี้ไม่สอนเด็กว่าตัวไหนดีตัวไหนชั่วคนก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนชั่วแล้วมันเป็นยังไงไอ้ตัวไหนดีตัวไหนชั่วเขาก็บอกว่าตัวชั่วมีสามตัว ตัวดีมีสามตัวตัวชั่วมีสามตัวตัวดีมีสามตัวตมาฯก็ถามว่าไอ้ตัวชั่วคุณคืออะไรเขาก็บอกลออิงกอไก่แล้วก็ลออิงลอิงกอไก่ลอิงแล้วตัวดีของคุณล่ะสามตัวคืออะไรพอพอพานขอทีบ ชอช้างพอผ่านหอหยิบชอช้างเอาแล้วทำไมเราก็รอเป็นชั่วล่ะต็ถามอีกเขาก็บอกหนะ้าท่านเป็นพระน่าจะรู้ดีเลยพระพุทธเจ้าสอนนะฮะมีหรือเหรอแปลมาจบประโยคน์ก้าวไปคุยจูอ่อมาอว่ามีท่านอะไรอ่ะโลภโลกรธหลงไงท่านชั่วจริงหรือเปล่าจริงเนี่ยคุณเล่นยอ่อเองเองีกใครจะไปรู้ โกคโโกรดอลา์มันเป็นองกุสลมูลลากเง้าของความชั่วไม่ใช่ชั่วธรรมดาลากเง้าเลยละ่ะของความชั่วอยอมยอมแล้วพอหอชอของคุณเนี่ยมันคืออะไรมีจริงหรือเปล่าจริงท่านอะไรละ่ะพอผ่านก็รู้จักพอขอเหีบรู้จักให้ ชอชานช่า ง, งเถิดรู้จักปล่อยวางแล้วเป็นยังไง่มันดียังไงเอาท่านผมขับแท็กซี่เลยนะเพื่อนผมมันบนเหลือเกินว่าค่าเช่าแพงรายได้น้อยค่าแก๊สแพงแต่ผมไม่มีปัญหานะครับผมใช้พอพานรู้จักพอสมัยนั้นเรืนะ่องเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ดับไนสัปดห์ รู้จักพอพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าท่านเออสอนสันตุถีปรมัณธนั์ความรู้จักพอเป็นยอดซั์ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ดพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอ อ่ะยอมรับขอผ่านอุดด่นดีขอหยิบอ่ะดียังไงท่านเขาว่าผมพวกเราขับแท็กซี่เลยนะสมัยนั้ยังไม่มีบิตเตอร์บางทีผู้โดยสารขึ้นมาแล้วนะค่อยมาต่อราคาบอกจะไปนูดไปนี่ถามเราถามเพื่อนผมเพื่อนราคาเท่าไหร่เพื่อนผมบอกร้อยบาท เขาต่อสามสิบไปไหมขึ้นมาแล้วนะมาต่อสามสิบทะเลาะ ก, กันนะท่านเพื่อผมไล่ลงเลยนะผมเจอผูอ้ในสารแบบนี้ไม่มีปัญหาขอเหตุรู้จักให้ผมลดให้เขาบ้างเจณนะจ่าให้เขาเพิ่มไปผมบ้างคุยกันไปคุมานีพี่ดแถมไม่หยกให้ผมอีกนะอัธยาใัยถูกใจกันจะให้แค่นี้ให้เพิ่อมอีกใช่ไหมมีความสุขเปล่าลนะ่ะทน รู้จักให้ตามาก็เลยถามอ๋อแล้วชอชาร์คคืออะไรทํำยังไงพอดีรถมันติดไฟแดงที่สารหลักมือเนี่ยสนามหลวงเลยนะเลี้ยวซ้ายก็จะไปท่าช้างแล้วก็ไปท่าอาจารย์ไปวัดมาท่ารถก็ติดไฟแดงถามตรงเนี้ยชอชารพราะไฟเขียวขึ้นแกก็ยังไม่ยอมไปแกโบสต์เทศสอนพระอยู่ไม่ได้ดูไฟไอ้คันข้างหลังมัน ก, ก็กดแตรดับไปไ แกสะดุ้งเลททานแกพูดไฟเขียวเพิ่งขึ้นมันกดแตงไล่ผมแรงไม่รู้มันจะรีบไปไตายที่ไหนเพื่อนผมเจออย่างนี้นะกดแตงกลับขับไปมองหน้ากันนะมีเรื่องแต่ผมไม่มีปัญหาครับเจอแบบนี้อะไรทำไมชอชานครับช่างเขาเถืองครับผมก็ขับของผมไปเรื่อยๆแต่มานึกถึงอะไรใครชอบใครช่างท่านเธอ ใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเรารบเย็นเป็นพอในคนนี้แกขับผมเกินไปเรื่อยๆพอไปถึงวัดมหาธาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจับจุดนั้นน่ะอาตมา ก, ก็ให้แบงค์ยี่สิบไปสามใบหกสิบบาทบอกไม่ต้อง้อนออกไปเลยเขามองหน้าอาตมาท่านผมจับได้นะ ก่อนขึ้นเราตกลงกันห้าสิบทำไมให้เกินมาตั้งสิบาทสมัยนั้นสิบบาทมีค่าเงินเยอะนะยังไม่ได้ยังไม่มีค่าเงินบาทลอยตัวสิบบาทก็มีค่าทำไมท่านให้เกินมาตั้งสิบบาทตมาก็บอกเอ้าห้าสิบบาทนี่ค่าแท็กซี่สิบบาทนี่กันเทศโยมเทศดีเหลือเกินเขาก็มองหน้าตมานะแล้วเขาก็บอกว่า ผมไม่เอาหรอกครับผมรู้จักพอพอพันครับคือได้่องอะอีกนะแล้วเขาก็ขับรถมีความสุขไปใจเขาเบิกบานนี่เรื่องจริงนะบางคนบอกจริงเปล่าผมจริงสิในสถ า, านการณ์ ใ, ใดๆนนขนาดขับแท็กซี่และแต่เขามีความสุข สิ่งที่เขาเจอมันไม่ได้ถูกใจไปทั้งหมดแต่เขาทำใจได้เราเรียกทำใจให้เบิกบานกา้นกระแสที่มากระทบด้วยพอหอชอให้เงินเกินคุกคนมันมีความโลภแกนตัดกระแสด้วยคำว่าพอผ่าน ปัจจุบันที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ทุจริตคาราชนเนี่ยถ้ารู้จักพอนะ่บ้านเมืองใ ส, ส่ซ่าได้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะรู้จักพอตัดกระแสะความโลภ ท, ทันทีเกิดความตรนีไม่อยากให้ไทยไม่อยากทําบุญตัดกระแสะทำให้คนอื่นมีความสุข เขาหรือจะมีความสุขเพราะเราให้ทัททักมาดูปิโยโฮติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยากเป็นที่รักเขาใครเราก็ต้องให้และให้แล้วก็มีผู้รับมีความสุขปูชโปัโกและปฏเตปูชังวันทโกปฏิวันธนบูชาเขาก็ก็บูชาตอบไหวเขาก็ก็ไหวตอบให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนกท่านท่านจะปองนอกไหว รักท่านท่านควรครองความรักเรานาะสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนผู้ทรชนไม่รู้จักให้ใครไม่รู้จักรักใครแต่คนทั่วไปเมื่อเขารักเขาดีก็รักตอบให้ก็ให้ตอบมิตรจิตมิตรใจมันมีความสุขแต่เราพอตระณีไม่ว่าอะไรก็ตามเอาชนะด้วยหอหีบแท็กซี่คนนี้รู้จักให้ กระแสที่ไม่น่าพึงพอใจบนท้องถนนเขากดแรดา่าบิดแรดา่าชอช้างทันทีปล่อยวางช่างเถิดมันมาตัดกระแสแต่การที่เขาจะตัดกระแสเขาต้องมีสติไอ้ตัวพอพานหอหีบชอช้างเนี่ยคือปัญญากระแสที่ตัดได้ด้วยสติ มีอะไรถูกใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอา น, นิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจบางคนที่ทนต่อความ ง, งี่เง่าของลูกน้องไม่ได้ดุอยู่นั่นแหละทะเลาะกันอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะกับคนขับรถพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งน้ำโบนคนขับรถประจัก ขับให้มันดีสิขับให้มันเร็วสิจะรีบไปงานเนะ่ะท่านก็ใจร้อนวันหนึมงก็ไปถึงสนามหลวงเน่ยริมสนามหลวงรถติดจังตอนนั้นสมัยก่อนสมัยนี้สมัยไหนก็นเรื่องเรื่องนานมารับผู้ใหญ่บนทําไมมาทานนี้ไม่รู้จักไปทางอื่นรถติดเอี่กจะไปทัน ง, งานได้ไงบ่นมากๆคนขับมันดับเครื่องเลยตอนนั้นรถมันติดโยนกุญแจให้หนูพ่อขับเองผมไปแ่ะลาออกเลยไม่จะไปย่างไง เลยไม่ได้ไปกันทั้งคู่ไอ้สิ่งที่มันบีบคั้นมันทาให้คนครอบครัวแตกแยกทะเลาะ ก, กันบางทีมันเรื่องน้ําพึ่งหยดเดียวน้ําพึ่งหยดเดียวเนี่ยไม่มีการกํากับควบคุมด้วยสติมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องในครอบครัวเรื่องในที่ทํางานเรื่องในบ้านเมือง ตั้งสติให้ได้แล้วก็ใช้ปัญญาใช้ธรรมะเนี่ยมากรองว่าไอต้ตรงนี้ต้องใช้ตัวพอทานนะอย่าใช่เขาใช้เราจะใช้ธรรมะอื่นก็ได้แล้วแต่ใครจะใช้อะไรเป็นเครื่องกรองสติเป็นเครื่องกั้นกระแสแต่ปิดกั้นด้วยปัญญาตัวปิดไม่ให้ปัญหามันรบกวนใช้ปัญญาตัดมันแต่ว่ากรองก่อนสติคืออะไร คำว่าสติปแปลว่าระลึกได้แปลว่าสํานึกตัวระลึกได้สํานึกตัวเราไม่ระลึกได้ได้ท่านนั่งอยู่นี้ถ้าเกิดคนมาถามท่านว่าทําอะไรท่านก็ตอบได้ว่านั่งฟังนั่งฟังอะไรต่อมา การที่ท่านฟังรู้ตัวเนี่ยเขาเรียกสติแต่กว่าจะรู้ตัวต้องมีคนถามเพราะหลายเรื่องเนี่ยมันเกิโดโดยอัตโนมัติเสียงมันก็นเข้ามาภาพก็เข้ามาถูกใจคนนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อนหยุกหยิกอะไรต่างๆหรือคิดละลึกมันจิตมันโดดไปโดดมามันไม่ได้อยู่กับเฉพาะได้ เราเราไม่รู้ตัวเหมือนกับนักใจลอยเนี่ยทนะ่านเวลาเรานั่งใจลอยเนี่ยเราไม่รู้ตัวบูบเดียวนี่ขับรถอย่างเงี้ยพอบูบเดียวเนี่ยใจลอยไปที่อื่นเกิอดอุบัติเหตุลืมเบรกก็มีมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ทันบัวแต่ทะเลาะกับเจ้านายหรือลูกน้องโทรศัพท์กันอยู่สมัยก่อนโทรศัพท์ มือถือเนี่ยมันไม่มีกฎหมายาท่านก็ใจเนี่ยไปอยู่กับที่ทะเลาะ ก, กับคนอื่นไม่ได้ดูสัญญาณไฟจราจรว่าเรากำลังฝ่าไฟแดงรถกำลังมามันก็เกิดไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าตามันเปิดเฉยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าใจมันวิ่งไปเรื่องที่เถียงกันสติคือระลึก ทานปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้อะไรกำลังเกิดกับเราและภายในตัวเราถ้าท่านรู้ทันเนี่ยท่านจะมีสติเป็นปัจจุบันนลที่นี่เทศาาละเดี๋ยวนี้ถ้าท่านรู้ทันปัจจุบันเสียงเข้าหูก็ได้ยินภาพขึ้นจอก็เห็นตลอดเวลา ท่านมีสติในการฟังที่ผ่านมานี่ใครรับประกรันได้ว่าได้เห็นทุกตัวได้ฝังทุกประโยคนไม่มีหรือท่า น, นเราใจลอยกันทุกคนและนี่ที่ทาที้เราไม่ใช่ผู้ตื่นในขณะที่ท่านใจลอยท่านตกปัจจุบันเนี่ยท่านพลาดโอกาสสาคัญสำคัญไปกี่ครั้งในชีวิตตัดสินใจผิดเพราะฟังกันไม่ครบประโยชน์ ฟันไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดโดนสรุปทะเลาะ ก, กันเกิดตายเรื่องดีๆที่เขามาเสนอให้ท่านทมท่านเกิดไม่ได้ยินไม่ได้เห็นตกขบวนรถไฟเวลาและวารีมิดได้มีที่คอยใครเรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอื่นอาจมักจะพลาดปลาดขนา พลาดแล้วจะโศกาอ น, นิจจาเราช้าเองเราอ่านสัญญาณไม่ออกบางคนมายื่นคำขาดบางคนมาเสนออะไรดีๆมองก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ฉะนั้นสติคือมองต้องให้เห็นฟังต้องให้ไดียนท่านฝึกตัวเองให้ตื่นอะไรที่เกิดกับเราและอะไรที่อยู่ภายในใจเราเราเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรเศร้า ชอบโกรธเกลียดหรือพอใจพอท่านมีสติรู้ว่าตอนนี้กำลังเศร้าเพราะความสูญเสียสติรู้ฉันกาลังเศร้าจิตเศร้าก็ให้รู้ว่าจิตเศร้าจิตโกรธก็ให้รู้ว่าจิตโกรธท่านจะท่านมันก็เกิดปัญญาละสติพอรู้เราจะปล่อยให้เศร้าต่อไปหรือ ถ้าเศ้าต่อไปได้กินไม่ได้นอนไม่หลับดิบางคนไม่รู้ตัวเลยจมอยู่ในความเศร้าเพราะความสูญเสียอะไรก็ตามหนักเข้าหนักเข้าแยกตัวเองไม่คุยกับใครแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับภาพลวงที่คิดเองแล้วเอาเรื่องที่ตัวเองคิดเองมาเป็นจริงในที่สุดก็บอกเทวดามาเชิญไปสวรรค์ค่าตัวตายฮะ หรือในที่สุดก็เห็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นศัตรูไปฆ่าเ ข, า, ขาตายเกิดอยู่เสมอเป็นข่าวอยู่เสมอและพอฆ่าแล้วก็ร้องไห้ร้องหหยไปฆ่าคนที่ตัวเองรักค่าแม่ด้วยบางทีเนี่ยลูกเนี่ยภาพหลอนไม่มีสติ ถ้าคุปสติอยู่ตั้งแต่ต้นอย่าให้ไปเข้าแดนเดรมินคนเสียจริตคนบ้าคือคนเข้าแดนเดรมินขาขาข้างหนึ่งเนี่ยมันเข้าไปแล้วคนเราเวลาสูดเสียมันจะคิดตามนีตัวเองว่าคนโ น, น้นคนนี้เหมือนนากรีสาโคจเบรลูกตายทนะ่านุ้มไปหาลูกกลำลังน่ารักเลยไปหาหมอบอกว่าลูกนอนหลับ แกเริ่มเป็นละ่ะมีลูกคนแรกคนเดียวหมอลูกนอนหลับหมอเห็นเขาก็ตายแล้วไม่ตายลูกฉันหลับหายยามาเ ป, ปลักปลุกให้ลูกตื่นหน่อยไม่มีหมอคนไหนทําได้ไปเจอหมอคนอื่นก็เลยส่งไปหาบอกลูกหมอคนที่ทําได้มีคนเดียวอยู่วัดไปหาผู้เท่เจ้าก็เอาลูกตัวเอง นางกีสาพุทธิเนว้อลุกไปที่ตายแล้วเลยไปวางวันแทบพระบาทพุทธเจา้าบอกพระองค์ช่วยรักษาหมอเขาบอกว่าพราะองค์ปลุกให้ตื่นได้พระพุทธเจ้ามองก็รู้ว่าคนนี้เนี่ยขาเข้าข้างเดนรมิตแดนเดนารมิตไปข้างหนึ่งคนเราเมื่อสูญเสียเนี่ยมันทุกข์มากพอทุกข์มากแล้วเป็นยังไงบางคนทนกับความทุกข์ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตาย กินยากินเหล้าให้ลืมยาเสพติดไม่กินเหล้าไม่กินยาก็บ้าคือเข้าดเดลวดิทเข้ายัางไงลูกตายก็จินตนาการเดลวิทให้ฟื้นขึ้นมาได้ว่ามันอนหลับบ้านถูกยึดก็ไปคิดจินตนาการว่ายังอยู่โตยังกะหวังกเกษียณไปแล้วก็ยังมาเดินไปเดินมา ว่าเลือดตำแหน่งโดนมสี 44, ่สิบสี่ไปแล้วยังไม่รู้ตัวฝันผู้หญิงคนนี้ลูกตายทุกท่วมทับเป็นดอกบัวที่จมอยู่ในโคลนตกเอาไปวางไว้แทบเบื้อง บ, บาทพระพุทธจเธจา้าพระเจ้ามีมหากรุณาธิคุณไม่ได้ส่งไปที่อื่นจะช่วยให้เขาคนทุกแต่จะช่วยอย่างไร หลอกเขาเหลอมันก็ยิ่งบ้ากันใหญ่คนเราเวลาจะจมน้ำมาขอคำปรึกษาคำช่วยเหลือท่านอย่าปฏิเสธเขาเลยให้ความหวังเขามาังคนเวลาจะจมน้ำฟางเส้นเดียวลอยมาเขาก็ตอกบางคนเวลาแพ้คดี ไม่ได้ทำใจเลยมีเศรษฐีดีคนหนึ่งเป็นเจ้าของตลาดใหญ่มากฟ้องคดีกันในศาลหลายปีแต่ว่าไปไม่ใช่เรื่องตลาด เ, เ, เรื่องตลาดนั่นแหละฟ้องกันใครใครถูกใครผิดไม่รู้สู้กันจนศาลฎีกา วันที่แกแพเจตีดีนะแพ้คดีตลาดโดนยึดแกกำลังนั่งเสียใจนั่งเสียใจไฟตรงข้ามที่ชนะมาพูดประโยคหนึ่งทําให้แกได้สติเกเขาพูดว่าไง คุณนายครับผมตั้งใจนะถ้าผมแพ้คดีผมยิงคุณนายตายจบคดีแล้วผมไม่มีอะไรเหลือเมือ่อกต่างคนทำไม่มีอะไรเหลือเลยไอคนหนึ่งแพ้กำลังเสียใจฝ่ายชนะกลับมาพูดถ้าผมแพ้ผมยิง และหยิงตัวตายเก่ได้สติหลังอย่างนั้นแก๋ไปขายมาม่วงนะเข้าเหนียวมาม่วงไปขายบีบขายดีกลายมาเป็นเศรษฐี ม, มันทำบุญที่มหาจุฬาเกแก็เล่าให้ฟังบอกชีวิตท่านันแปลกนะท่านเกือบตายนะโดยไม่รู้ตัวเลยคนที่สูญเสียไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่มีคำพูดไม่มีอะไรปลอบใจในบางทีมัน ท, ทาอะไรปแปลกแปลกย เข้าเดนเดมิตเลยนางกีสาโคเตมีก็เหมือนกันโอ้พุทธเจ้ามองเห็นต้องหาทางดึงให้ออกจากเดนเดลรมิตและไม่ให้ค่าตัวตายด้วยไม่ให้อะไรใ ห, ให้ได้สตินั่นแหละถ้าพูดกันในก็คือให้ตื่นเขากาลังหลับนะเดระเมอร์นะจมกับปัญหานะ ต้องมีเทคนิคในการปลุกให้ตื่นไปปลุกทันทีก็ละมือร้ายตีเราก็อกีถ้าก็ต้องดูว่าจะปลุกเ้าังไหนพระพุทธเจ้ามีวิธีปลุกนี่คือความเป็นบรมศ า, ศาสดาของรรพระองค์บรมครูพอกีสาโคตมีบอกว่าช่วยปลุกลรกให้ตื่นทำได้ไหมพระพุทธเจ้าให้ความหวนึ่งได้ปลุกได้ปลูกได้มียาวิเศษ ก็ดีใจใหญ่ เ, เลยโ้มียาวิเศษปรุงให้ตื่นได้แต่มีแต่คุณยายบอกแต่เนี่ยเครื่องปรุงยาเนี่ยมันมีเกือบครบแหละขาดอยู่อย่างเดียวมเมล็ดผักกาดเอามาทำน้ำมันน้ำมันผักกาดขาดมเมล็ดผักกาดกีสาโคเธมีบอกแพงเท่าไหร่ก็จะซื้อ บนตลาดก็ได้พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ให้ไปซื้อให้ไปขอมันมีเคล็ดเธอต้องไปขอได้ได้ญาติเยอะคนรู้จักเยอะไม่ใช่ขอทั่วไปให้ไปขอว่าบ้านไหนไม่มีคนตายไม่มีญาติตายไม่มีปู่ตายอะไรเลยค่อยเอามาเล่นประกาศเขามาได้ได้ไ ด, ได้เดี๋ยวเราไปถามดู แกก็ไปเลยไปด้วยความหวังบ้านแรกเราถามว่ามีมรมเ็ดทางกานไม่มีแล้วมีคนที่เกี่ยวข้องตายมาพูดอะไรเพิ่งเผาไปปีที่แล้วอ่ะตายไปแล้วหนึ่งบ้านไปกี่บ้านกี่บ้านมันไม่มีใครที่ไม่มีความสูญเสียไม่มีญาติตาย บ, าบ้านบ้านเนี่ยลูกน่ารักกว่าลูกตัวเองตายก็เราจะไปเผามันคืนนะค่อยๆ อ, ออกจากแดนเ ด, นดลาวิตนะ มองที่สูงเราก็ต่ำมองที่ต่าเราก็สูงเห็นคนอื่นสูญเสียมากกว่าบางทีตายตั้งหลายคนแปดศพแล้วมั้งยังตามจับอยู่คืนสติไม่มีใครไม่ตายไม่สูญเสียกลับมาเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าอ้าวไหนเราไม่ได้ประกาศไม่เจอแล้วเจอแต่ว่า ไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายกีสาคงจะมีต่ออะไรลูกเธอลูกดีฉันก็ตายแล้วขอบวดในพระศาสนาเลยเป็นภิษุดีต่อมาได้เป็นพระอาหารหันต์สติมันจึงเป็นกระบวนการที่ตื่นอยู่ในโลกเผชิญหน้ากับความเป็นจริงรู้ทันตัวเราเองรู้ทันคนอื่น เซลล awareness จัดการกับอารมณ์ของเราด้วยที่ฝรั่งมาเขียนเรื่อง emotional intelligence ที่จริงก็เรื่องสติคนไม่ฉลาดในอารมณ์ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเศร้าโศกทุกข์อย่างไรจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้จมอยู่กับพวกมหนมันตนบในความรู้สึกคือไม่ฉลาดในอารมณ์ อารมณ์ในที่นี้คือ feeling ความรู้สึก emotion ไม่ใช่ที่เกาะของจิตคนละอย่างเราใช้สองความหมายถ้าเรารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกของเราเราก็จะไม่จมไปตรงนั้นฉะนั้นความฉลาดในอารมณ์คือฉลาดที่จะจัดการถ้าเรากำลังเศร้าแก้เศร้าเรงไร กำลังหมดกำลังใจแก้กำลังให้กําลังใจกลับมาได้อย่างไรกำลังจมอยู่นี่ให้มันจิตใจมันเบิกบานได้อย่างไรและกําลังโลภมากจะขโมยของนี่เราไม่ขโม ย, ไ, มยมได้อย่างไรโกรธมากจะฆ่าเขาตายเราคุมความโกรธได้อย่างไรนี่คือฉลาดในอารมณ์นี่และฉลาดนอบจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าท่านม่ีสติแต่สติมันไม่เกิดง่าน ใจเราเนี่ยมันเหมือนลิงบนยอดหมายที่ว่านั่งฟังกัตมาเนี่ยใจลอยกี่ครั้งเนี่ยถ้าท่านจดอย่างซื่อสัตย์เนี่ยท่านจะรู้เลยฟังกัตมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอมันเป็นสถิติการวิจัยไม่ใช่ทัานเป็นคนเดียวคนส่วนใหญ่ที่ไม่ฝึกสถติเขาเป็นกันดังนั้นมันจึงแก้ปัญหาความรู้สึกกว่าจะรู้ว่าเราโกรธนี่ไปตกเขาเรียบร้อยเขาตบกลับ มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเอคุณยายใช่คุณยายดิหลานฝันหักเมื่อสองสวันเนี่ยหลานฝันหักไปโรงเรียนเขาโทรมาบอกอไปเสร็จแล้วก็กําลังจะไปว่าครูบอกไม่เป็นไรให้แม่เขาจัด ก, การพอตอนเย็นโทรไปถามแม่แม่บอกว่าลูกลเราผิดไอ้อลูกเราที่ฝันหักเนี่ยนะลูกเราเป็นฝ่ายผิดไป ไปแย่เพื่อนเอาเท้าแย่มั่งเอามือมั่งโกงเขาแลกล้งเขาสามวันไอ้เพื่อนสวนว่าโป้งเดียวฟันหักไปเลยเลยไม่รู้จะไปโทษครูโทษใคร ย, ยางไ่คนเรามันอยู่ไม่นิ่งเลยไปท่าทคนโน้นแกล้งคนนี้ก็ในสุดกว่าจะได้สตินี่ตาลายแล้วฟันหักเลยอย่างเด็กคนนี้หายสาบเป็นสามวัน เพราะเขาพุทยเจ้ารอกว่าจิตเหมือนลิงมากกรนตัดอยู่มันยอดไมายมันโดนไปโดนมาทู่นนี่ทุ่นนี่เจอเรื่องนี้เหมือนกับลิงเนี่ยมันกำลังถือผลไม้ที่มันอยากกินอยู่อา้าวตามันไปเห็นอีกลูกหนึงน่งโดนไปนู่นอีกแล้วไปจับตรงนี้จับตรงนี้ในที่สุดไม่เคยอยู่นี่เลย เราก็โดดไปตามสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชังสิ่งที่หลงสิ่งที่กลัววนก็อยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยท่านใจลอยกี่ครั้งมีคนทําเป็นวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีชื่อเนี่ l นายครินเวิร์กับ กิวเบิร์ดเขาสนุปว่าเขาทําแบบสอบถามและโทรศัพท์สัมภาษณ์คนให้ตอบตรงๆว่าเป็นเป็นแสนๆคนตั้งแต่ตื่นเชา้าจนกระทั่งนอนหลับคุณใจลอยกี่ครั้งใจลอยคือออกจากเรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบันคือท่านนั่งฟังธรรมะแต่ท่านลอยกลับไปที่บ้านออกจากเรื่องที่กําลังบองกําลังฟังกําลังอยู่กําลังเป็น แล้วเรียกว่าใจลอยนะอ่าใจลอยวันหนึ่งเนี่ยไอ้วินดริกไมลเนี่ยใจมันท่องเที่ยวอะ น, นะไปนู่นไปนี่ไม่อยู่กับเรื่องที่กำลังทำเหมือนกับท่านนั่งทํางานอยู่ที่บนโต๊ะเนี่ยนั่งอยู่แปดชั่วโมงใจอยู่กับงานกี่ชั่วโมงแล้วมันไปคิดเรื่องอื่นไปโทรโทรศัพท์ไปคุยไปอะไรต่างไม่ได้ดูกับแฟนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงเขาถามแล้วก็ให้ตอบตรงๆเป็นงานวิจัยเป็นวิชาการตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยปรากฏว่าคนที่ใจลอยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะ 46.9 ก็คือ 47% ของเวลาที่ตื่น 47% ของเวลาที่ตื่นถ้าหนึ่งชั่วโมง 47% เนี่ นะเกือบห้าสิบเนตะท่านเกือบครึ่งชั่วโมงเนละปัดเอาว่าประมาณครึ่งชั่วโมงง่ายๆท่านนั่งทำงานอยู่ทนะ่านหลับคาว่าหลับไม่ตื่นไม่พิจารณาพูดได้นันสี่สิบเจ็ดเปอร์็ของเวลาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันตาใสเนะี่ยแต่ไม่รู้ไปทําอะไรไปคิดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นเลยเนะี่ยมันเสียพลังงานไปเท่าไหร่นะ และไอ้พลังงานที่ท่านเสียเนี่ยไม่ใช่เสียเฉยเนะไปสะดุดกับไอ้ที่คนมันพูดเมื่อเช้านั่งอยู่นั่นเฉยโมโหไม่ดีนะพูดในการโรงเรียนคนหนึ่งกำลังจกกะเกษียณเสียใจวันนี้มาแล้วยามที่เปิดประตูไม่ทักขึ้นมาที่ทํา ง, งานก็นั่งเสียใจอยู่เงี่ยแสดงว่ามันเห็นว่าเราจ ะ, กะเกษียรแล้วทุกครั้งมันทักเราตลอด แค่นี้ก็เอามาคิดทั้งๆที่จริงๆเขาอาจจะมีปัญหาหรือทักเราก็ได้ใจลอยนี่กลับไปหาไอ้ที่เขาไม่ทักเราเนี่ยเสียเวลาทำงานไปเท่าไหร่ท่ันวันๆหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลและไอ้ที่มันไปเนี่ยส่วนมากมันไปหาเรื่องให้เราทุกข์เนั้นแหละมันไม่ค่อยคิดดีๆหรอกท่าน เวลาเราใจรอยจะจะลอยไปหาคนที่มัด่าเราด่าไปตั้งแต่กลางวันแล้วนะกลับไปนอนพู่งดึกได้ก่อนหลับโอ้มันด่าเราเลโอ้โหมนดิจะโทรศัพท์กลับไปด่ามันมันก่อนหลับสบายมาแล้วเพราะมันได้ด่าเราเหมือนอะไรเหมือนคนเอาบาอาเว็ตะแยไปอา ป, า, อ า, ปาใส่บ้านเราแทนที่จะกวาดให้พังพินเขาเก็บไว้ ไปปลูคพก ด, ดินพเพราะตะแยงตะแยงงอกไทยคันแล้วคันทุกเพราะเราไม่เพราะเราปล่อยให้ใจเราลอยไปหาไอต้ตะแยงนั้นมันเก็บอยู่เรื่อยเลยขเขาเรียกย้ำคิดย้ำทำไอ้คนที่ฆ่ากันตายมันไม่ใช่วันเดียวมันโป้งนะนอกจากบรรดาโทศั์บางทีมันพรีเมเดเทสใช่ไหมเตรียมการมันมันคิดกี่ครั้งคนที่จะฆ่าจูเลียซีซ่านะ่ะกรุงลบมอะ่ะมันวางแขนเท่าไหร่ ฆ่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในกรุงโรมไม่ใช่ธรรมดานะแล้วจะต้องไปฆ่าในสภาด้วยซึ่งพกอาวุธเข้าไปไม่ได้ไอ้พวกที่ฆ่าเนี่ยคือพวกสมาชิกรัฐสภาเท่นั้นเลยลุ้มกันจับจูเลียสิเซียแทงเขาตายแล้วคนที่แทงเขาตายคนหนึ่งชื่อคาซิอุสคาซิอุสเนี่ยเป็นคนวางแผนและไปชวนบูตุสหลานลูกน้อง ซีซ่าร่วมด้วยนี่เรื่องจริงในประวัติศาสตร์เชคสเปียร์มาเขียนเป็นบทละครแล้วเขาก็แต่งไว้มีคนแปลภาษาไทยว่านั่นคาสเิอุสมีคาสเซอุสคือชื่อนายคนวางแผนนั่นคาสเซอุสมีสีหน้าแห้งกระหายใจเขาคิดมากเกินไปคนเช่นนี้สีหน้ากลัวอาฆาตพยาบาท จมอยู่ในปลักของความโกรธความเกลียดความฉันไม่เคยตั้งสติได้เลย ว, ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเกลียดเขาทําไมไปโกรธเขาทําไมเขาทําอะไรให้ไม่ได้ตั้งสติเลยแล้วมันก็สะสมเพิ่มพูนขึ้นมาในสุดจากความโกรธโทสะมันเป็นความพยาบาทปองร้ายแล้วก็ฆ่ากันแล้วก็ผิดศีลถ้าเราได้สติเสียก่อน โธทัความโกรธมันไม่เป็นพยาบาทปองร้ายมันตัดกระแสถ้าเราคิดได้ก่อนสิ่งที่เป็นโลภะความโลภมันจะไม่โตเป็นอภิชาอยากได้ของเขาที่ผิดศีลผิดธรรมภาสิติโตประเทศจึงบอกว่าผู้ที่เห็นสรัพย์คนอื่น เหมือนก้อดินเห็นภรรยาของคนอื่นเหมือนบานนาตนเห็นชีวิตของคนอื่นเหมือนชีวิตตนคนนั้นเป็นบัณฑิตส่วนมากเราจะโลภไว้ก่อนสัพ์ของคนอื่นเหมือนของเราของคนอื่นคนรักคนอื่นเหมือนของเราและไม่มีเวลาไตรตรองไม่มีการตั้งสติตรวจสอบ เมื่อไม่มีการตั้งสติตรวจสอบมันก็เกิดการกระทาพอถึงเวลาจะทำขึ้นมาแล้วแล้วท่านเวลาที่ท่านจะทำเนี่ยพอกิเลสมันสะสมเนี่ยท่านมีเวลาเซนเซอร์มันเท่าไหร่เห็นของอยากได้ขึ้นมาเนี่ยหรือท่านตั้งแต่เริ่มคิดอยากจะขโมยเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ทะลุท่านทำงานในด้านนี้กว่าจะประกอบอันอยากับ มีเวลาเซ็นเซอร์เท่าไหร่ตั้งแต่อยากได้จนกระทั่งเกิดการขโมยเหมือนกับที่เราเล่านิดเดียวฟังนิทานจีนว่าอุดหูรัด ก, กระดิ่งอยากได้กระดิ่งที่แขวนอยู่หน้าร้านมากๆเพิ่มความโลภขึ้นเรื่อยๆใน้สุดอ า, อาพิชชาเพ่งเลงอยากได้ของเขาเนี่ย มันสุดที่จะทนทานก็เลยนึกได้ว่าไอ้ที่เราไปรับ ก, กระดิ่งเนี่ยเพราะมันดังเจ้าของเขาจึงรู้วิธีไม่ให้ดังต้องอุดหูตัวเราเองอุดหูมันก็ไม่ได้ยินกระดิ่งก็ไปลักเข้ามาแต่เขาดูได้ยินหมดจับเขาอะ่ะเราดูเหมือนโง่แต่จริงความอยากได้มันหน้ามืดมันโลภโมโทสันจนโง่เหมือนกับคนขับรถบนท้องถนนไปยิงคนตายที่ไม่รู้จักมันโง่ไหล่ะ แต่เวลาที่โง่นั้นเนี่ยมันเซ็นเซอร์ตัวเองไม่ทันเนี่ยมันเกิดกับทุกคนนถ้าเราปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมันท่วมทับเป็นโคลนตมที่ท่วมทับจิตใจจนเราไม่เบิก บ, บานหมกโผล่พนน้ำเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีนะมีมีงานวิจัยที่บอกถึงเรื่องนี้เอาไว้ เพื่อเอามาเสริมที่พระเจ้าท่านสอนต่อมาจะให้ท่านดูว่าแล้วก็เกี่ยวกับงานท่านทั้งหลายเลยว่ามีงานการทดลองคนที่ทดลองเนี่ยชื่อเบนจามินลิเบตที่น่นาจะเป็นที่ซานฟรานซิสโกเขาทดลองประมาณยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็เกือบสามสิบปี แต่เดยนี้เอามายืนยันและในสิ่งที่เขาทดลองจนเป็นที่แพร่หลายไปแนละ้วเขาทดลองโดยให้คนเนี่ยเขาร่วมทดลองหลายๆคนเนี่ยนะใช้เครื่องแถบสมองที่ว่า EEG เนี่ยนะดูคลื่นในสมองว่ามันทำงานทำงานตรงไหนมันสีไฟมันจะขึ้นสมมติว่า ปกติเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยๆเลยสมองไันก็ทํางานปกติแต่เกิดมีคนเอาขนมที่เราชอบมาวางไว้ขา้างหน้าความอยากรับประทานขนมเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมองและจะทําให้เครื่องจับสัญญาณ น, นี่บรรู้ว่าสมองส่วนไหนกําลังสั่งให้ท่านกําลังเพิ่มความอยากกินให้ท่านคือความโลภอะ่ะ อยากกินขนมอยากกินถ้าเด็กๆก็อยากกินชอ็อกโกแลตมันจะมีภาพสีเกิดขึ้นล้วในจุดหนึ่งของสมองแล้วจนเอื้อมมือไปหยิบชอบ็อกโกแลตมากินเนี่ยเขาเรียกว่าระบบประสาทมันสั่นจากสมองมาจนถึงมือเนี่ยนะหยิบชอบ็อกโกแลตมากินเนี่ยใช้เวลานา น, านเท่าไหร่ถ้าท่านโกรธคนอยากกินคนตายแล้วเดี่ยวไก่ปืนเนี่ย ช่วงจากที่สมองสั่งเนี่ยถ้าสมองไม่สั่งมันไม่ได้ยิงไม่ได้นิ้วมันไม่รัดเนี่ยอินเทนชันเนี่ยกรรมเป็นเครื่องสอ่อเจตนานะ่ะไอ้ตัวเจตนาที่เป็นเกินน่ะมันเกินนานเท่าไหร่กว่าจะกลายเป็นกรรมยิ่งคนตายนะเดี๋ยวนี้งานศึกษานี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกแหละและเอามาใช้ในการ ก็นกรหมานปฏิบัติธรรมด้วยเป็นอย่างนี้ท่านเขาที thì, ่ที่เห็นน like ี่ในภาพนี่นะเขาจะมีนาฬิกาวัดด้วยอาตมาจะไม่ลงรายละเอียดนะว่าเขาวัดยังไงเขาตลำตกลงกันยังไงเอาเป็นว่าผลก็แล้วกันผลเป็นที่ผลของการวิจัยมันออกมอย่างนี้จะไม่ได้บอกโปรเซสขั้นตอนล่ะเขาตกลงกับผู้ร่วมงานวิจัย ว่ากดเขาจะทำไฟนะไฟสว่างไฟสว่างไฟเล็กๆให้ผู้ร่วมวิจัยเนี่ยกดสวิตช์ไฟกดสวิตช์ไฟให้ไฟสว่างกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆแล้วเขาจะมีมัน ม, มีนาฬิกาวัดตั้งกว่าไฟจะสว่างเนี่ยที่เขากดเนี่ยสมองมันต้องสั่ง ความคิดที่จะกดไฟต้องเกิดขึ้นก่อนคือเจตนาถูกไหมเหมือนเราเดี๋ย ว, ยวกลายเปินเล่นเปียโนโหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งอาตมากระดิกนิ้วนะ้นี่นเราสมองไม่สั่งการเลยท่านก็เป็นอาตมาพลื่นตอามาภาคแสดงว่าสมองต้องสั่งทีนี้เขามีเครื่องแถบหมดคนมีหน้าที่กดไปแต่เขาวัดเลยตั้งแต่สมองมีจุดวาดขึ้นมาจนกระทั่งกดเนี่ย มันใช้เวลานานเท่าไรแล้ววัดโดยเฉลี่ยเท่าไหรทุกคนรวมถึงที่พวกท่านพวกเราทาเนี่ยจะเดินไปหยิบของเนี่ยทำไมเราลืมกุญแจทำไมเราลืมของลืมโน้นลืมนี่เดินไปแท้ๆว่าจะไปหยิบของถ้าเดินแต่พอไปถึงแล้วจะมาเอาอะไรเลย กว่าจะเดินเนี่ยแค่ก้าวเดียวเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ก้ขาที่จะก้าวแต่ปรากฏว่ามันสั่งให้ท่านเดินไปเรื่อยๆแต่ความคิดที่เกี่ยวกับของมันไม่ได้มามท่านใจลอยไปที่อื่นแล้วไงไม่ได้มีสติอยู่กับเป้าหมายของการเดินสติมันไม่มาแต่ว่ายังมีสติสั่งให้ท่านเดินอยู่แต่พอไปถึงตัวรุ่เวลามันนานจนกระทั่งลืมเป้าหมายของการเดินมา ทนี้เมื่อสั่งเนี่ยนะมันไม่สามารถวัดด้วยนาฬิกาปกติเขาจึงทานาฬิกาที่วัดความคิดเราได้ฟ้าแลบช่วฟ้าแลบเลยนะนาฬิกาที่สั้นกว่าวินาทีปกติแข่งกีฬาโอลิมปิกวิ่งร้อเมตรเนี่ยนะแต่มาเป็นเด็กๆก็สงสัยมันชนะกันเสี้ยววินาทีแล้วมันยังชนะได้เอาภาพถ่ายเลยนะ แต่วิทยาศาสตร์เขาทํานาฬิกาที่แบ่งวินาทีปกติเลยนะหนึ่งนาทีมันมีหกสิบวินาทีไอหกสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีแทนที่เขาจะแบ่งหนึ่งวินาทีมีหกสิบส่วนของวินาทีไม่เขาแบ่งเป็นพันส่วนเพื่อวัดความคิดขน แล้วเรียกว่ามิลิวินาทีมิลิเมตรนี่ก็คือแบ่งเมตรเป็นหนึ่งพันส่วนวินาทีแบ่งเป็นพันส่วนเรียกว่ามิลิวินาทีมิลิวินาทีนะเป็นสับบรรยัตในราชบัณฑิตสถานด้วยมิลิวินาทีเนะี่ยแล้วปรากฏว่าจากจุดที่สมองสั่งการมาจนถึงมือกดใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งทราบไปมห้าร้อย มิลิวินาทีตั้งแต่ท่านมีเจตนาจะทำอะไรก็ตามโดยสมองสั่งเนี่ยจนลงมือทำการแม้ท่านจะเดินเนี่ยจากระดิกนิ้วจะอะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งจะพูดเนี่ยห้าร้อยมิลิวินาทีหนึ่งวินาทีมีหนึ่งพันมิลิวินาทีห้าร้อยเท่ากับครึ่ง1ึงของวินาทีบิลิวิน คือห้าร้อยห้าร้ยมิลลิวินาทีก็คือห้าร้อยวินาทีห้าร้อยมิลลิวินาทีก็คือครึ่งวินาทีเอาเป็นว่าสรุปผลวิจัยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมองสั่จนกดห้าร้อยห้าร้อยมิลลิวินาทีก็คือครึ่งวินาทีก็แล้วกันครึ่งวินาทีแล้วในครึ่งวินาทีเขายังแบ่งอีกนะ มันมีสามจุดทจุดที่สมองสั่งมาจนมีเจตนาเนี่ยมันใช้เวลาสามรอยสมรอยมิลลิวินาทีหมายความว่าอย่างไรครึ่งวินาทีนี่นะท่านทำแต่อีกเกินครึ่งเนี่ยเกิเออก็คือส0 0้ยห้าร้อนี่คือครึ่งวินาที สามร้อยมิลิวินาทีเนี่ยมันเป็นคำสั่งจากสมองโดยที่เราไม่สำนึกตัวมันเป็น unconscious เพราะฉะนั้นจุดที่สองเนี่ยมาถึงจุดที่ท่านเกิดความรู้ตัวว่าอยากกดสวิตช์ไฟเนี่ยจริงๆมันเกิดเจเจอเกิดเจอสมองสั่งให้ท่านทำแล้ว ผ่านไป300มิลิวินาทีโดยท่านไม่รู้ตัวเลยแล้วพอรู้ตัวนี่นะเขาเรียกว่าเจตนาจริงๆเนี่ยมันเกิดตอนที่300คือจุดสามนี่นะคือเจตนาจริงๆเนี่ยเกิดตอนผ่านไปแล้วจุด300แล้วเป็นยังไง เหลือเวลาให้ท่านตั้งตัวเซ็นเซอร์แค่200มิลิวินาทีเท่านั้นเบ่ง500ออกเป็น2ตอนนีคือทั้งหมดเนี่ยเวลาจะเกิดการกระทำเนี่ยระดนี้ก็แล้วกันช่วงแรกจากสมองสั่นสิกแนวนี่นะมาจนท่านรู้ตัวว่าอยากจะกดไฟเนี่ยผ่านไปแล้ว300มิลิวินาที แล้วจากสามร้อยเนี่ยท่านเริ่มรู้ตัวแล้วว่าท่านจะกดมันจงกดเนี่ยกดนิ้วท่านเนี่ยท่านรู้ตัวเขาเรียกคอนเชียสเลยท่านมีเวลาจนกระทั่งกดเนี่ยสองร้อยมิลิวินาทีเอาสองร้อยบวกสามร้อยมิลิวินาทีเป็นห้าร้อยก็คือครึ่งหนึ่งของพันเท่ากับครึ่งฮเซกันยเ่ยนะครึ่งวินาที นั่นหมายความเป็นไงผลจากการวิจัยนี้หมายความว่าเวลาท่านจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีแรงกระตุ้นให้ท่านทำโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเนี่ยสามร้อยมิลิวินาทีสั่งมาจากสมองก่อนโดยที่ท่านไม่มีความรู้ตัวเลยแล้วพอท่านรู้ตัวเ่ท่านจะยิงคนหรือกดนิ้วเนี่ยมันมีเวลาหยุดแค่สองร้อยมิลิวินาทีในครึ่งวินาทีก็คือแค่สองส่วนในสิบส่วนแล้วท่านจะ วิโต้ทันไม่ถทันเหรหยุดไม่ทันคนมาถึงยิงกันเพราะโกวธปุ๊บสั่งปับ๊บยิงปับ๊บและคนประเภทยอย่างนี้ไม่เคยฝึกสติเพราะฉะนั้นไม่เคยฝึกสติเนี่ยมันจะไม่มีทางเซนเซอร์ในช่วงนี้ได้ทันนี่คือเรื่องที่หนึ่งในในการประกอบอาญากรรมในการทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถ โดยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านไม่สามารถถ้าถ้ามันเขาเรียกว่าโกรธฝุดขีดเนี่ยไม่มีเวลาเซ็นเซอร์ถ้าไม่ฝึดสติทนีนี้ทางพระท่านทําอย่างไงทางพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้พระเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏฐ า, านิพิกสูตรทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นกรรม ไอ้เจตนาคือ intention เจตนาเนี่ยมันเกิดหลังจากสามร้อยวินาทีแล้วในช่วงนี้น่ะเจตนามันจะเกิดเนี่ท่านเจตนาตรงนี้นหะมันทำให้เกิดกรรมกดสวิตช์ไฟหรือทำอะไรก็สั่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าเจตนาเนี่ยเรารู้ตัวถ้าพระอรหันเนี่ยแค่มีเจตนาจะทำอะไรเนี่ยถ้าจะรู้หรือสติท่านเร็วมากแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เนี่ย มันจะบิดมีจุดน่วมคือทวงเวลาแทนที่จากมโนกรรมเจตนาเนี่ยนะไอ้ที่เจตนาเนี่ยจะ ก, กลายเป็นกายกรรมทันทีท่านให้เป็นมโนกรรมก่อนให้เป็นมโนกรรมก็คือฝึกว่ากดหนอก่อนคิดก่อนท่านท่านไปเคยเห็นก็ฝึกกรรมาฐานไหมล่ะยกหนอท่านจะเดินเนี่ยปกติมันจะเป็นรีเฟล็กนะ ซ้ายย่างหนอยกสาวซ้ายขวาย่างหนอซ้ายยางหนอขวาย่างหนอเนอี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ปกติแนละ้วท่านไม่ต้องรู้เลยถ้าท่านเป็นฝึ้ปกติเนี่ยท่านก็เดินได้ทุกคนเลยแต่การที่ท่านพอจะยกให้รู้การยกเนี่ยมันเกิดในห้าในครึ่งวินาทีแต่การที่ท่านพอจะยกให้รู้ว่ามีเจตนาจะยก แล้วก็กำลังยกหนอเปลี่ยนจากครึ่งวินาทีเป็นมโนกรกมบอดให้รู้ตัวว่าฉันจะยกและเราก็มีสติในมโนกรรมคือความคิดว่าตอนนี้เราได้สั่งแล้วให้ยกให้ท่านรู้ตัวรีเฟรชก็คือสติรู้ตัวเพราะมีสติสายย่างหนอในขณะนั้นใช้เวลาประมาณกี่วินาทีไม่รู้หละแต่ กว่าจะยกสําเร็จนั้นมันเป็นมโนกรรมความคิดด้วยและความคิดทําให้เรารู้ฝึกรู้ด้วยก่อนเราจะทําต่ออะไรต่อไปนี้ไปให้เรารู้ว่าตอนนี้จิตมันสั่งนะให้เราแากนะให้เราเหยียบนะให้เรายกนะให้เราเดินให้เราเลี้ยวใหเราหยุดการฝึกอย่างนี้ทําให้รู้ทันจิตของเราและต่อไปจิตเราโกรธเราก็จะรู้ทันทีโกรธแล้วนะกําลังจะด่าเ้านะ กำลังจะเป็นวัจจีกรรมเนะท่านจะเซ็นเซอร์ได้ทันเซนเซอร์คุมไม่ให้ด่าคุมไม่ให้ตีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะมีการควบคุมตนเองสูงท่านเคยเห็นผู้นำที่เขาควบอลรมได้อยู่ไหมละ่ะเวลาเถียงกันอะไรกันในสภาในที่ระดับโลกเนี่ยนิ่งหมดเลย เขาโกรธไหมเขาโกรธเขาอยากด่ากลับไหมอยากด่ากลับแต่เขารู้ว่าเขากำลังโกรธและเขาฝึกมาเสมอเขาต้องคุมถ้าพูดไปเสียประโยชน์เราไม่พูดแต่ถามว่าอยากพูดอยากด่าไหมอยากฉะนั้นการยืดเวลาให้มโนกรรมมันทำงานโดยที่เรารู้ตัวนะเรียกว่ามีสติแต่คนที่วางแผงข้ามโนกรรมมันทำงานเหมือนคัซนสิ้นเสีย เขาไม่รู้ตัวเลยเขาอยากฆ่าจูเลียสซีซ้าโดยที่ไม่ได้สำนึกตนวางแผนเป็นเดือนเคยรู้ไ้ยว่ามันไม่ดีไม่คิดถูกไหมหรือผิดเขาไม่คิดไม่มีโาดูทาสำนึกธรรมะไม่ได้เข้ามาไม่เคยเรียนธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีไว้อะไรเอาไว้สอนตนตเตือนตนตอ น, ตอนที่กำลังโกรธ แล้วมีสติกำลังทวงเวลานี่เราไปฆ่าเขามันจะถูกไหมสุรศสีสัจแล้บบศีลธรรมมันมีเอาไว้เซนเซอร์ท่านเอาไว้เตือนตอเราเซนลงน้ำไปด้วยความโลภเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันมัดคอเราเข้าคุกเพราะเรารับสินบนที่มันคุ้มไหมคนที่คิดหน้าคิดหลังได้หนึ่งจะต้องมีสติก่อน รู้ว่าความคิดมันเกิดความโลภมันเกิดแล้วมันคิดย้ำอยู่แล้วข้อที่สองรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ดีเซ้นไปได้เงินแต่มันโกงเขากงบ้านโกงเมืองมันดีที่ไหนมันไม่ดีมันผิดศีลธรรมไปแย่งคู่รักคนรักเขามันดีไหมมันผิดศีลธรรมมันจะมีมโนธรรมมโนธรรมที่มาเตือนนี้เราเรียกว่าปัญญา รู้ว่ากําลังคิดว่าจะทําทอะไรอยากได้อย่างโลกเป็นสติแล้วปัญญารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสติไอท้ที่ความรู้สึกที่มันเกิดอยากจะทําโน่น ท, ทำนี่มันไม่ถูกมันไม่ควรเราเรียกว่าปัญญาฉะนั้นสติคือใส่ใจกับปัจจุบันรู้ความรู้สึกอยากจะทําโน่น ท, ทำนี่แล้วเป็นมโนกรรมวนคิดย้ําด้วยความโลภความโกรธ และถ้าเราทำความตามความโลภความโกรธมันผิดศีลธรรมมันไม่ดีไม่งามการที่มาบอกตัวเองอย่างนั้นท่านเรียกว่าปัญญาดังนั้นจึงมีคำสรุปสติมาปัญญาเกิดสติตเลิดมักเกิดปัญหาที่พูดมาทั้งหมดสรุปด้วยประโยคนี้ท่านสติ เมื่อท่านตั้งสติในบิลิวินาทีที่ว่าเนี่ยนะตั้งแต่มีเจตนาแล้วทวงเวลาให้มันเป็นความคิดอย่าให้เป็นมโนรรมก่อนคิดย้ำอะไรก็ได้โลภโกรธก็ให้มันโกรธอยู่ในใจก่อนอย่าไปด่าเขาเหมือนกับเราถูกด่าในที่สาธารณะเนี่ยเรานิ่งก่อนมีคนอตอนพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ห้าไปประพาสยุโรป มีคนเนตเจ้าหญิงทั้งหลายคนทั้งหลายว่าอย่าไปถามเรื่องนางสนมทําไมเยอะเรื่องครอบครัวส่วนตัวฝรั่งเขาทาไมมีฮาเล็บเลยพูดตรงนเระะนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะเตือนกันก่อนความสุภาพอย่าไปถามราชการทีห้าเรื่องนี้เด็ดขาดเวลาเสด็จยุโรปแต่ผู้หญิงฝรั่งเนี่ย เขาถือความเท่าเทียมใช่ไหมทนไม่ได้ในโต๊ะเสวยเจ้าหญิงองค์หนึ่งสาวถามเลยโผล่ขึ้นมากลางโต๊ะอาหารทำไมพระองค์จึงมีมเหสีนางสนมเยอะแยะเลยกำลังกินข้าวเสวยกันอยู่นเงียบติบเลยทนะ่านหูพึงเลยนะ ใจหนึ่งก็ใจเสีย้วไม่น่าถามเลยแต่เขาอยากรู้คำตอบแล้ใจะการที่ห้าเนี่ยตั้งสติได้ไหมต้องตั้งสติได้นะคำถามที่ยิงมาเนี่ยล้วจะตอบไปอย่างี้อธิบายเป็นคุกเป็นแควไปมันก็เข้าตัวการตอบโดยฉับพลันในเรื่องปฏิหาร น, นี่คือปัญญาอีกแบบหนึ่งในการตอบคิด แล้วก็วัจีกับตอบมาตอบไม่ดีก็ทะเลาะ ก, กับผู้หญิงคนถามตอบไม่ดีก็เสียหน้ารัชาการที่ห้าตอบไปอย่างไงรัชการที่ห้ามองหน้าเจ้าหญิงสาวสวยที่ถามว่าถามว่าทําไมพระองค์จึงมีมเมหสีหลายพระองค์พระองครัชการทีห้ตาตอบว่าที่ท่าฉันมีหลายองค์หลายคนเนี่ยเพราะ ฉันยังไม่ได้พบคนสวยๆอย่างเธอนะสิที่ในโต้หัวเราะกันใหญ่เลยเจ้าหญิงก็อายกลายเป็นตอบอย่างนี้ไม่มีใครพูดต่อเลยเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยนะส ต, ติต้องมาปัญญามันจะเกิดเรื่องก็เลยจบส ต, ติตะเลิน ก, ก็เกิดปัญหาเรื่องลเกล่าตอบอยังไง ทีนี้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยเอาไว้สอนตนอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเราเรียนกันมาทั้งนั้นไอ้ที่ท่านพูดมาทั้งหมดแต่มันรู้ทั้งหมดที่พูดมารู้ทั้งหมดแต่มันอดไม่ได้กฎหมายเขาก็รู้แต่ก็ผิดกฎหมายฝืนจราจรอะไรทั้งหมดมันมีสิ่งเล้าสิ่งยั่วให้ออกนอกทางเสมอ แต่พอความคิดเกิดขึ้นในช่วงครึ่งวินาทีเนี่ยว่าเราจะทำไม่ถึงครึ่งวินาทีเนี่ยว่าเราจะทำนั่นทำนี่เนี่ยท่านห้ามตัวเองซะเราไม่สามารถจะห้ามไม่ให้จิตมันเป็นลิงฟุ้งซ่านชาวบ้านนี่นะมันจะโดนไปไหนก็ช่างมาันแต่ให้รู้ตัวว่ากำลังโดนแล้วหยุดมันให้ได้ มันโดนแล้วก็แล้วไปเวลาท่านนั่งกรรมฐานคนใหม่ๆเนี่ยเครียดเพราะอะไรโอ้โฉันทำไม่ได้มันฟุ้งซ่านให้มันฟุ้งไปท่านดูมนแล้วก็หยุดมาแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กาหนดพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้แล้วก็กลับมาใหม่แค่นี้มันก็เป็นคุอูประการในชีวิตจําวันเยอะแล้วท่านเราทํางานในที่ทํางานมันโดดไปไหนสี่สิบ็ดเปอร์เซ็นของเวลานี้ทํางาน แค่รู้ตัวว่ากำลังโดดแล้วกลับมาเนี่ยมันก็ลดมาเหลือเท่าไหร่สี่สิบเพราะมันไปน้อยลงเดินกลับมาจากสี่สิบเจ็ดให้เหลือสี่สิบสี่สิบก็ดีขึ้นต่อไปเหลือส0ิใน1ึงชั่วโมงนี่อยู่กำงานถึงสามสิบอยู่กำงานถึงยี่สิบถ้าอยู่กำลงร้อยเปอร์เซ็ตเยี่ยมเลยใน1ึงชั่วโมงเนี่ย งานสำคัญสำคัญที่พลาดไม่ได้อยากกับพริบตานะบางคนที่ไปที่เขาโฆษณากำลังจะไปถ่ายนักมวยชิงแชมป์โลกจ้องอยู่นะนาทีจะน็อ ก, กิดปรากฏว่าของมันหล่นก้กลมลงไปเงยหน้าไม่ทีน็อกไปแล้วถ้าเขามีสติร้อยเอร์เซ็นตเนี่ยอะไรมาวอกแวกเขาไม่ไปไหนเลยได้ภาพชัดเลยภาพเสี้ยววินาทีนานหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นทันทีเมื่อท่าน พวไม่กับพริบตาอยู่กับเรื่องที่ทำไม่กับพริบตาเขาเรียกว่าสมาธิท่านสมาธิคือตั้งใจมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่วอกแวกไปไหนเลยสมาธิในขณะที่ สรุปอย่างนี้ท่านหลวงพ่อสอนให้นั่งกรรมฐ า, านหลวพอเทียนนะ ย, ยกมือขึ้นวางลงเลนียแนี้ดูมืออย่างเดียวมืออยู่ตรงไหนก็รู้เรียกว่ามีสติกายะคตาสติแต่ท่านทําได้พอทําไปทําไมวันนี้มือซีดเส้นเลยมือขาดเลยเนะาะว่นถี้ได้เก็บเงินไม่อยู่นะต่อยมวยน่าจะมันนะั้งท่านคิดกี่เลือด ไ ม, ไม่ได้อยู่ปัจจุบันแต่ถ้าท่านไม่คิดอะไรเลยดูมืออย่างเดียวขึ้นลงห้านาทีมันเป็นสมาธิสมา ธ, มาธิแปลว่าคิดเรื่องเดียวมีสติอยู่กับเรื่องเดียวนั่งฟังอาจารยมาตอนนี้เนี่ยใจไม่วอกแวกไปไหนเลยมีสติอยู่ตลอดเวลากับเรื่องที่ฟังแต่มันก็โดดไปโดดมาสติลดลงบั๊ แต่ถ้ามีสติต่อเรื่องกับเรื่องที่พูดจะเห็นว่าที่จะมาพูดเนี่ยมันต่อกันเป็นกระแสและจะเข้าใจขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าทําไมพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แม้กระทั่งเรื่องมิลิวินต์กันมิลิวินต์นาทีแม้กระทั่งเรื่อง47แม้กระทั่งเรื่องนี้มันจะต่อกันหมดการมีสติตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่วอกแวกเราเรียกว่าสมาธิ เพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิก็คือฝึกสติอาณาปานาสติกำดลมหายใจเข้ากับรู้หายใจออกกับรู้ไม่คิด เ, เล ย, น ย, นยในกนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเป็นสมาธิและถ้าบังเอิญท่านไปฝึกแล้วมันใจลอยท่านอย่าไปตำหนิตัวเองมันเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ให้เริ่มใหม่แล้วให้พยายามดึงกลับมาความสาเร็จของการฝึกสติไม่ใช่ไม่บอกแวกการฝึกสมาธิ มันวอกแวกแต่ท่านสามารถดึงกลับมาได้เร็วเท่าไหร่ภูมิใจว่าวันนี้เราดึงกลับมาได้ไวเราอยู่กำนานได้ถึงในชั่วโมงเนี่ยนะสามสิบนาทีก็ดีแล้วสี่สินาทีก็ดีขึ้นไม่วอกแวกไปไหนเลยยิ่งดีที่สุดสำหรับคนที่ฝึกสุดยอดฉะนั้นดอกบัวที่บาน คือดอกบัวที่ไม่ได้โดนกระแสทั้งหลายเนี่ยมันดึงไปให้เกิดโลกเกินหลงเกินนะเกิดการกระทำที่มันเป็นภัยต่อเราภายในเสี้ยววินาทีอย่างผู้ที่ขับรถไปฆ่าเขาตายที่ดาที่ขโมยที่รักเซนอะไรต่างๆไม่ได้ยังย้งคิดฝึกยั้งคิดคิด ก่อนพูดคิดก่อนทำและคิดก่อนคิดด้วยทำไมว่าคิดก่อนคิดเพราะการะตุ้นให้ท่านคิดเนี่ยสมมุติจะคิดแล้วคนโกรธคนด่าเราเนี่ยนะมันมีจุดกระตุ้นมาจากสมองสามร้อยมิลิวินาทีแล้วหลังจากนั้นท่านก็คิดมโนกรรมไปอีกเป็นชั่วโมงมันอยู่ในนี้แหละก่อนที่ท่านจะกินอาหารทางจิตที่ สะใจเพราะคิดด่ากลับอยู่ในสมองเนี่ยท่านมีสติได้ไหมว่าเราจะปล่อยให้ความคิดที่มันโกรธ น, นี่มันทำงานต่อไปไหมเราจะให้ความคิดที่มันเศร้าทำงานต่อไปเหมือนนาง ก, กีสาคนจะมีเวลาลูกหลักไหมเราหยุดได้ด้วยสติสติเตสันนิวารานยุดกระแสมดโนกรมด้วยสติแต่ท่านต้องรู้ทันก่อนหยุดกระแสวัจจิกามก่อนโุ่งลงไปด้วยสติ กายกับด้วยสติแล้วสติที่ท่านหยุดเนี่ยเราเรียกว่าปัญญาเมื่อท่านกลับไปที่สัมปชัญญะเนี่ยคือท่านมีปัญญามีสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดเกิดปัญหาพอรู้ตัวว่ากำลังโกรกกาลังโกรธกำลังหลง เอาปัญญามาใส่ว่าควรหรือไม่ควรทำหนึ่งเราควรจะปล่อยความคิดให้เตลเออต่อไปไหมหยุดคิดหางเรื่องอื่นมาทำาัเพราะอย่างนั้นเวลาคนด่ามากๆแค่ทำไงเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านหรือคิดแง่ขบเปลี่ยนกระแสเวลาใครด่าปุ๊บเราโกรธเราก็มองแง่ขบแง่ขบเหมือนหลวงพ่ออมิตสุดท้ายท่านเบิด บ, บาน ใครด่าใครว่าท่านนะท่านตั้งสติก่อนเปลี่ยนกระแสเป็นผู้เบิกบานผู้เตื่นมีสตินะผู้รู้คือมีปัญญารู้อะไรควรไม่ควรควรด่าหรือควรนิ่งควรหยุดอันนี้คือปัญญ า, าเรียกสัมปัตยญะหรือปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติแล้วสเสริจมันเกิดไหมพอท่านมีสติปัญญาท่านเบิกบานยังไงใครไปที่วัดมัชช ม, มาวานจังหวัดอุดรธานีนะเนี่ยไปตาบหลวงปู่นี่ เขาเขียนไว้ที่ประตูทางเข้าเป็นรูปปั้นท่านนะั้นท่านมรณะภาพแล้วหลวงปู่ดีเนาะอาจายไปเจอเข้าครั้งแรกก็ถามว่าทำไมเรียกหลวงปู่ดีเนาะเขาก็เล่าให้ฟังตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดมันวัดมัดทีม่ามาวาดนะชาวบ้านก็เรียกหลวงพ่อดีเนะาะเจ้าลดนทานดีผ้าล้างหลวงใครไปด่าไปว่าท่านนะท่านยิ้มไม่โกรธ เลขาท่านเป็นเจ้าหน้าจังหวัดเป็นเจ้าวาดเนี่ยเลขาไปบอกหลวงพอ่อเขาด่าว่าหลวงพ่อไปในเรื่ อ, อยงนั้นอย่างนี้นะหลวงพอ่อตอบว่าได่าก็ดีเนา ะ, เ, ะเราจะได้ปรับปรุงตัวนี้อ ะ, อะไรอะไรดีเนาะหมดผู้หญิงไวกลางคนร้องไห้มาหาหลวงพอ่พอหลวงพ่อถามทำไมร้องไห้มาไมสามีอีชั้นเจ้ขาข้าเขาตายซะแล้วหลวงพ่อก็รู้จัก หลวงพ่อบอกตายก็ดีเนาะคนกําลังเสียใจอ่ะบอกตายดีเนาะเด็ก็พ่อที่บ้ า, าจริงผู้หญิงเขกระดาษเขาหลวงพ่อบอกบ้าก็ดีเนาะดีเนาะหมดวันหนึ่งในหลวงราชการที่เกา้าจะไปทอดกรถิ่นที่วัดหลวงพ่อทายยกโกห่วงกลัวหลวงพ่อจะไปพูดดีเนาะใส่ในหลวงเลยไปกระซิบถามหลวงพ่อในหลวงเวลาไปไหนชอบถามโน่นถามนี่นะ ก็ได้หลวงถามหลวงพ่อจะตอบว่าไงก็ดีนอที่อุอยอ้ยเจ้าฟ้าจะเป็นนีจะเป็นดีนอเนอะพูดภาษาสาก เ, เป็นไม่รู้ว่าไม่เป็นพระบันอกท่องไปเลยหลวงพ่อขอถวายพระพรมาหาบอกพิษภาษากลางยาว จ, จังจาไม่ได้วะหลวงพ่อว่าท่องหลวงพ่อขอถวายพระพรก็อ พ, รพอก็ท่องไปพอได้หลวงเสด็จมาถามโด่นถามนี่ตอนแรกก็ถวายพระพรพนนาญเข้า เอาตามถนัดดีกว่าดีเนาะดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงในหลวงแปลงพระไถยทําไมพระชอบพูดดีเนาะเสด็จออกมาก็ถามชาวบ้านชาวบ้านก็กราบทูลว่าหลวงพ่อท่านใจดีไม่เคยโกรธใครอะไรดีเนาะหมดในหลวง ม, มีพระราชสถานต่อมาวันที่ห้าธันวาคมเลื่อนสมณศักดิ์ให้หลวพ่อ จากชั้นรากขึ้นเป็นชั้นเทศตั้งราชทินานามให้ใหม่ว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีมีองค์เดียวในประเทศไทยที่ได้ส้อยวัดสาธุแปลว่าดีเนาะมรณภาพตอนอายุเก้าสิบแปดปีสุขภาพจิตดีมาก เพราะฉะนั้นใครอยากอายุยืนมีความสุขใครดา่าใครว่าฟังเทศจบแนละ้วด่าก็ดีเนาะยิบนั้นตัดก็เดินเถอะตัดก็ดีเนาะ <c oughs> ใครชอบใครชันชั่นเถรับมองโลกแง่ดีมีผล <c oughs> เห็นคนอื่นดีมีค่า ปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณเห็นหโลกมันมีหลายแง่ให้เราบอกเราจะบอกแง่ร้ายก็ได้บอกแง่ดีก็ได้เปิดข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมีแต่เรื่องร้ายๆเราไม่อ่านไปอ่านข่าวสังคมเอาอะไรดีๆก็ได้อ่านเฉพาะหัวข้อข่าวให้รู้อะไรเกิดขึ้นแต่อยากสุขภาพดีเราเลือกแค่ ทำไมเราไม่มีสินเลือกที่จะบริโภคข่าวถามด้วยทำไมเราไม่มีสิทนเลือกที่จะทําใจของเราให้เบิกบานเรื่องบางเรื่องถามบางถามทามให้เราจิตเราเศร้าหมองถ้าเราตั้งสติไม่ทันเราไม่อยากไปรับรู้ทันทีเปลี่ยนไปก่อนมองแง่ดีไปก่อนถ้าจําเป็นต้องรับรู้ก็มองแง่ดีไปบ้างเหมือนคนญี่ปุ่นที่ว่าล้มไปแล้วอย่ามองแต่ล้มเดี๋ลุกขึ้นมาให้มีฝากติดมือ หาประโยชน์จากความไพ่แพ้หาความงามจากป่าช้ามองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณ เหนือยหนายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแทะแน่เอ่ยเราจะเป็นจิตที่เบิกบานเพราะมองโลกแง่ดีหรือเป็นจิตที่ห่อเหี่ยวเพราะมองโลกมองโลกแง่หลายความร้ายที่เราเจอนั่นแหะแปลให้มันเป็นบวกได้ไหมแปลให้มันเป็นพลังได้ไหมถ้าโดยถ้าเราไม่ใช้สติมันทําไม่ได้ เพราะมันเกิดเร็วมากความคิดเรามันปุ๊บปุ๊บมันเป็นวิลิกนาทีแต่ถ้าท่านฝึกสติชะลอให้ไปอยู่ในความคิดก่อนที่ท่านจะพูดพโครงไปตามความรู้สึกหรือจะทาไปตามสึกชะลอความคิดแล้วแปลสัญญาณในความคิดให้มันเป็นบวกในขณะที่เป็นมโนกรรมกับในขณะที่คนด่าเราเนี่ยมีเวลาแปลให้มันเป็นบวกให้ได้อานจะมา เจอท่านนาวาเอกอ่อนพิเศษบุญยผัน์ไปพูดมาด้วยกันที่นครสวรรค์แล้วนั่งรถกำนารีลาคุยตอนหนึ่งท่านอาจารย์อ่อนบอกว่าท่านเจคุณเชื่อไหมผมถ้าจะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยถูกใครด่าเลยบาบอกไม่เชื่อคุณยี่จ้าอยังโดนด่าเลยจริงท่านผมไม่ถูกใครด่าเลยเป็นไปได้ไงอย่างนี้ครับท่านจคุณ ตอนผมเป็นเด็ ก, เ, ดก เ, พเพื่อนมันโกรธผมนะมันไม่เคยด่าผมเลยมันด่าพ่อผมด่าแม่ผมพ่อแม่ผมก็ตายมาตั้งแต่ผมห้าขวบแล้วผมก็เลยไม่โกรธมันเห็นผมไม่โกรธมันก็เลยไปด่าเปรตด่าสัตว์ด่านารกผมเป็นสองกระจกแล้วมันก็ไม่ใช่ผมผมเลยไม่โกรธมีเวลา คิดแง่ขำแปลงสัญญาณเป็นบวกหมดเลยนี่คือมองโลกแง่ดีไม่ตกอยู่เป็นท่าของสถานการณ์พรามคนหนึ่งโกรธพระเจ้าจัก ง, งานเลี้ยงแล้วภรรยา น, นับถือพุทธสนาพรามมาเต็มหมดศา ส, สนาพรามแล้วภรรยาได้ทิ้วอาหารไปเกิดทำอาหารตกเปลงอุทานผู้โทนทโมสังโครพรามที่มาเลี้ยงกลับออกจาก ง, งานไปหมดเลย พาะงโกรธผู้เท่เจ้ามากที่ทําให้ภรรยาเป็นอย่างนี้เลยไปด่าผู้เท่เจ้าด่าเป็นวักเป็นเวรผู้เจ้าก็นั่งฟังช่วยเพราะด่าฉันหายเหนื่อยสะใจแล้วก็ชักสงสยัยนี่ด่าแล้วทำไมช่วยไม่โกรธบ้างเลยหรอือผู้เจ้าบอกไม่โกรธทําไมอะ่ะแล้วที่ท่านโกรธมาเพราะได้ข่าวว่าผู้ท่เจ้าถามได้ข่าวว่าวันนี้ท่านจัดงานเลี้ยงแล้วแขกได้รับประทานอาหารกลับไปหมดเลยใช่ไหมใช่เลยโมโหไงท่านเป็นเหตุมาด่านี่แหละ แล้วอาหารที่เหลือทํายังไงเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยของเต็มเนี่ยแขกกลับไปแล้วพรามทำไงไม่ไม่งอ้อใครไม่กินเรากลับไปกินเองพระเจ้าบอกเหมือนกันคําด่าที่ท่านสรรมาดานี่เหมือนอาหารนํามาเลี้ยงแขกแขกอยากจะมาไม่รับประทานคุณเจ้าภาพโกทันคตวาสุขังเสติข้าความโกรธเสียได้อยู่เป็นสุขแปลงในสิ่งทั้งหลาย ให้ไม่มีพิษมีภัยเป็นสิ่งดีด้วยสติด้วยปัญญาจิตก็เบิกบานเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานดอกบัวผลิบาลในใจของทุกท่านทุกคนในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้มาเพณให้เป็นไป ขอจงมารวมกันเป็นตะบาะเดชเป็นพลวัปัจจัยอุทิตถวายเป็นพระจุศรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอกพิษขอได้ทรงทราบด้วยยาณวิถีใดๆว่าบัด น, นี้ท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีในพระองค์รวมใจเป็นหนึ่งอุทิศบุญกุศลอันเกิดจากทานนามัยศีลนามัยและภาวนาใหม่ธรรมัสวรรคมยนี้ไปถวายแด่พระองค์ท่านขอได้โปรดอนุโมทนาบุญ เพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติเพิ่มบารมีธรรมแห่งพระองค์ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปในสำปรายภพสมนเจตนาปารกทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลนี้และอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ ทุกท่านทุกคนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญสติมีปัญญามีวิมุตติจิตเบิกบานเผชิญกับปัญหาใดๆโดยปราศจากทุ์โกโรคภัย อุ ป, ปัตตวตรายมาบีบคั้นเบียดเบียนบีทางก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยลาบยศสุขสันเสริญทุกทิพาราตรีการปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบ้ดยทำก็ขอให้ความปราถนานั้นๆจงพันสาเร็จจงพันสำเร็จจงพันสาเร็ จ, จ สมโนรสมุง ม, มาตรปราถนาทุกประการตลอดการลัตนานเืิน